เข็นขึ้นไปถึงยอดนี่ก็คงเหนื่อยอาการทีเดียวแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะพอเข็นไปถึงยอดเนี่ยก้อนยังก็จะตกลงมาที่เชิงเขาแล้วเขาจะต้องเข็นขึ้นไปอีกนะมันยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขานะเพราครกนี่มันยงเล็กนะแต่หินที่เซซีฟัสเนะข็นเนี่ยมันมันใหญ่ทีเดียว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 อย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ก็ละทิ้งชีวิตแบบนั้นไปแล้วนะหรือว่าอย่างน้อยก็ละทิ้งชั่วคราวมาอยู่วัดการปฏิบัติมันก็ไม่ได้จำเจเหมือนกับการทำงานเช่าจดเจน็นเช้าจดเจน็นซึ่งบางทีมันก็ไม่มีสาระอะไรมากนะนอกจากการได้เงินมาเลี้ยงชีพหรือได้เงิน เพื่อที่จะสนุกชั่วครั้งช่วคราวแต่ถ้ามองดูดีๆนี่เราแต่ละคนนะถึงแม้มาอยู่ตรงนี้ที่นี่นะหรืออยู่ที่ไหนก็ตามในแง่นี้ก็อาจจะมีชะตากรรมนะไม่ต่างจากนายซิเซฟัสคนนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขนหินขึ้นภูเขานะแต่ว่าเราเจออีกแบบนึงนะก็ออคือคนเราเนี่ยมาเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องเจอ ความแก่เจอความเจ็บเจอความพลัดพรากแล้วก็เจอความตายมันไม่มีใครนะที่จะหนีชะตากรรมอันิพนธ์เกิดมาแล้วนะก็รอที่จะรอที่จ ะ, ะแก่ชาราแล้วก็เจ็บระหว่างนะั้นก็มีความพัดพรากสูญเสียนะ ต้องเจอความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจผ่านความเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพลาคนนี้ไปก็ไปเจอความสูญเสียอย่างใหม่นะเช่นตอนเป็นเด็กก็อาจจะเสียปู่เสียย่าเสียตาเสียยายเสรล้วพอโตขึ้นก็เสียพ่อเสียแม่เสียแต่เสียคนนี้ก็หนักแล้วนะแต่ต้องเสียอีกเสียพ่อแล้ว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 ตายเสร็จก็กลับมาเกิดใหม่ตามกติกาความเชื่อของคนไทยที่ว่านี่เวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ตายจนนายซิเซ ฟ, ฟัสนะคนหินเข็นหินแทบตายถึงยอแล้วมันไม่จบแค่นั้นแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่เป็นวัฏจักรวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วเปลปีเล่าเพวกเราก็เหมือนกันนะก็เจอวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตาย ชาดแล้วชาติเราชาดแล้วชาติเรล่าลวนะนะกว่าจะกว่าจะกว่าจะหมดลมได้นี่ไม่รู้ต้องเจอความทุกข์เจอความลําบากแสนเข็นไปมากมายแค่ไหนนะเจอความสูญเสียคนสูญเสียคนรักนี่ก็ทุกข์แล้วนะแมันก็ไม่ใช่แค่เสียคนเดียวเสียอีกเสียหนึ่งเสียสองเสียสามกว่าจะหาย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 ก็มีคนคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะเล่าถึงเรื่องของนายซิเซฟัสเนี่ยเขาก็บอกว่าท่าั่งที่ซิเซฟัสนี่ก็ต้องขนหินนะไปถึงยอดเพื่อที่จะให้มันตกลงมาแล้วเข็นขึ้นมาใหม่เวียนแล้วเวียนแล้วแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้พระเจ้าต้องการให้เขาทุกข์ทรมานนะให้เขาทําเรื่องที่น่าเบือ่อเนี่ยมันจะได้เกิดความทุกข์ทรมาน จะตายก็ตายไม่ได้ก็ต้องเข็นไปเรื่อยๆแต่ว่าซิเซ ฟ, ฟันนี่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องถูกต้องทำภารกิจนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ทำใจไม่ทุกข์ได้ถะนทั้งที่สิ่งที่เขาทำนี่มันทั้งทั้งยากแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยแต่เขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้มีความสุขคือว่า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 เช่นอาจจะมองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดา เ, เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาการที่อยอารับว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองเราก็สามารถที่จะรักษาใจให้ไม่ทุกได้ น, นี้ในแง่นึง ก, ก็คงคล้ายกับซิเ a ฟ e สนะก็คือว่าเข็นหินขึ้นภูเขาวันแล้ววันเล่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกตัว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 อ่าซื่อเสพชันไดนะ้นั้นเราก็ฉันนั้นนะนะเราก็ถึงแม้ว่าจะต้องถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความพัฒภาคความตายนะแต่ว่ามันก็บีบคั้นได้แต่กายใจไม่เป็นต้องถูกบีบคั้นด้วยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเราก็ยังมนุษย์เรานี่มันก็ยังมีข้อได้เปรียบนะมากกว่าซื่เสพชันะคือว่าเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากวัฏฏะ วัตจักรอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าคนเราต้องเวียนเกิดเวียนตายกันชาติแล้วชาติเราไปจนนิลันดอนมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกจากวัตจักรนี้ได้ออกจากวัตจักรเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเวียนเกิดเวียนตายสิเสฟรรันที่มันออกไม่ได้นะถูกพระเจ้าลงโทษเพอเพอระเจ้าทําให้มันให้สิเสฟันเป็นอมตะเลยเป็นอมตะคือไม่ตายก็โคตอยู่นั่นแหละ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 เวียนไหวตายเกิดอย่างนั้นแต่มันเป็นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินะตาดใดที่ยังยังมีกิเลสตัณหานําไปสู่กรรมกรรมนี่มันก็นําไปสู่การเกิดต่อไปนะถึงแม้ว่าร่างกายแตกดับจิตแตกดับแต่ว่ามันก็มันก็เกิดใหม่นะชาติแล้วชาติเล่นะพาพระเจ้าเนี่ยเปรียบว่า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 หรือความเกิดในทางความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นโยมฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอะ น, นี้เรียกว่าเกิดทางวิญญาณนะเรียกว่าเกิดชาติขึ้นมาปุจจานี้นะไม่มีเกิดแบบนี้แล้วนะไม่มีความสําคัญว่าเป็นมนุษย์เป็นเป็นอะไรทั้งสิน้นอย่างที่ได้เทศน์เมื่อวันศุกร์นนะว่าเนี่ย คยมีพรามคนหนึ่งมาถามพุทเจ้าว่าท่านเป็นเทวดาไหมพุทธเจ้าก็ปฏิเสธท่านั่งที่คือเขาเห็นพระองค์เนี่ยมีสง่าราศีมากก็เนื่อเป็นเทวดาถามว่าพระองค์เป็นเทวดาไหมพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นคนทันคนทันที่ก็เทวดาชนิดหนึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นยักษ์ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธพราม์ก็เลยจีบลงไปว่าพระองค์เป็นมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธอีกทึ้งพราม์ก็เลยงงตกลงพระองค์เป็นใคร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 เป็นเจ้าสํานักอันนั้นมันเป็นมุมมองของเขาตามสมมุติแต่พระองค์ไม่ได้รู้สึกว่าพวกผมเป็นอะไรเลยนะไม่มีความสําคัญไม่หมายเป็นอะไรทั้งสิน้นไอ้ที่เป็นนั่นมันเป็นโดยสมมุติเสร็จแล้วพระเจ้า ก, ก็ตัดว่าเนี่ยก็ให้โตลงพรานนี่ก็งงว่าจะเรียกนั้นพระเจ้าเป็นใครพระเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าให้ถือว่าเราเป็นพุทธะก็แล้วกันถือว่านอันนี้หมายถึงว่าให้มันเป็นเรื่องสมมุตินะให้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 ไม่เกิดทางวิญญาณไม่เกิดพพไม่เกิดชาติซึ่งอันนี้เราก็ทำได้นะในเวลาที่เรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งเป็นพบเป็นชาติไม่มีความรู้สึกสำคัญมหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ามีความรู้สึกตัวนะแต่ว่าพอเจอเจอลูกไอความรู้สึกตัวจะหายไปก็เกิดความสำ้ำเข้าฉันเป็นแม่ขึ้นมาไปติดในสมมติแล้วก็หลงในสมมติ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 เป็นได้ทั้งนั้นนะทั้งพระ ท, ทั้งโยมทั้งแม่ชีนะและบางทีโยมอาจจะทำได้ดีกว่าพระหรือว่าเร็วกว่าพระก็ได้ในสมัยพุทธการก็เคยมีนะมีคราวหนึ่งมีพระหกสิบรูปเนี่ยจะจะริบไปยังเชตวันแต่ว่าไม่ทันถึงนะไม่ทันถึงเชตวันมันก็เป็นช่วงเข้าพรรษาพอดี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 เห็นพระก็ดูว่าสำรวมนะก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนพอได้ทราบว่ากำลังหาที่จำบัญษานะนางก็เลยบอกว่ามาจำบัญษาในในที่ของนางก็ได้เพราะนางมีที่มีที่เยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออถามถ่ายก็เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก็บอกว่าเนี่ยในหลวงจำบรญานี้นางก็จะ ก็จะรับศีลด้วยนะรับศีลห้านะแล้วก็ปรารณาว่าจะนําอาหารนะจะนํเาเครื่องดื่มนํามาถวายนะเมื่อพระทั้งหกสิลูกก็ตกลงว่าจะจำพรรษาที่นี่แหละแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยในช่วงจำรรษาเราก็จะปลีกวิเวกนะจะมาเจอกันก็แต่เฉพาะเวลาฉัน หรือว่าเวลามีเหตุถ้ามีเหตุอะไรก็ให้ตีละคังเมื่อตีละครังก็แปลว่ามีเรื่องที่ต้องมาพบปะกันก็จะก็จะมาหากันแต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะหลีกเล่นปฏิบัติในกุฏิที่พระของตัวฝ่ายนางมาติกรรม า, าก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปถวายนะเวลาอาหารมาก็ตีละคังพระก็มารับแล้วก็ ตักเสร็จก็แยกแย้ายกันกลับวันหนึ่งนะั้นนางมาติกรรมาตาก็มาเองมาเองก็เห็นว่ า, าพื้นที่บริเวณนั้นเงียบสงัดมากก็สงสัยพระไปไหนนะนางอน้ำปานามาถวายก็ได้คำตอบว่าเนี่ยพระท่านหลีเล่นอยู่นะในในในกุฏนะิถ้าต้องการพบนะก็ต้องตีะระฆังนาะงก็เลยตีะระฆังนะพระก็มาจากทิศต่าง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 จเจริญความจเจริญพิจารณาอาวัยะสานิสิบสองนะนที่เราสวดกันนั่นแหละในร่างกายมีเกสาโลมานขาตันตาตาโจโ อ, อย่างเงี้ยนางก็สนใจแล้วก็นําไปปฏิบัติบอกว่าทําไม่นานนะก็เกิดบรรลุธรรมเป็นพระนาคามีเลยพระนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยนะนางนี่ไปละล่ ว, ลวงหน้าไปละเก่งกว่าครูนะครูสอนนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลย แต่ว่าลูกเศรษนี่เป็นอุบาสิกาไม่ค่อยรู้ไม่ไม่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยจนกระทาั่งเนี่ยมาเจอพระเนี่ยแต่ว่าบรรลุ ธ, ธรรมได้เร็วมากเป็นอนาคามีแล้วก็มีอภินญาคือรู้ใจได้นางก็เลยวันหนึ่งก็ลองนะลองอยั่งจิตไปไปดูว่าพระแต่ละรูปเป็นอย่างไรเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะท่านบรรลุ ธ, ธรรมเหมือนเราไหม ก็บอกว่าก็พราบว่าพระเหล่านั้นยังไม่บรรลุธรรมเลยยังเป็นปุถุชนอยู่นางก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่บรรลุธรรมเป็นเพราะว่าเสนนาสนะมันไม่ดีไหมก็พบ ว, ว่าในความรู้สึกของพระแต่รูปท่าน ก, ก็พอใจเสนาสนะก็ยังไปดูเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ถามว่าอาหารมันขาดแคลรือเปล่าอาหารไม่ดีไหม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 แต่พูดมิ้นแม้ข่าว่าอาหารที่สุกโตนี่มันไม่ดีนะดีดีอยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะดีเกินไปด้วยตอนนี้เนี่ยพระทั้งหสิรูทั้งกับบาลุธทำแล้วพอออกพรรษาท่างก็เลยท่าน ก, ก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันแล้วก็เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวนะให้พระ เ, เจ้าฟังก็มีพระรูปหนึ่งอยากลองของนะพอดีว่านางมาติกมาตานี่ อย่างรู้วาระจิตคนก็อยากจะไปลองดูบ้างก็เลยไปไปผู้เดียวเลยนะไปที่บ้านของนางมัติกรรมาตานางก็ต้อนรับดีนะคราวนี้พระรูปนี้ก็อยากจะลองว่านางเนี่ยอย่างรู้วาระจิตได้หรือเปล่าก็เลยพูดว่าเนี่ยสถานที่มันมันไม่มีใครปัดกวาดเลยถ้ามีใครปัดกวาดก็ดีนะนางมัติกรรมาตารู้นะก็เลยส่งคนใช้มาปัดกวาด อันนี้พระก็ลองทดลองอีกว่าเออถ้าเรามีข้าวยาขู่ฉันนี้ก็จะดีนะนามาติกมาตาก็รู้นะก็เลยส่งอาอาส่งข้าวยาคุ่มาถวายลองแบบนี้หลายๆครั้งในที่สุดนะพระรุปนี้ก็รู้แล้วว่านามาติกมาตานี้อย่างรู้วารจิตได้จริงๆคราวนี้เรากลัวเลยนะกลัวเพราะกลัวว่าตัวอจะคิดชั่วเจ็บเดี๋ยวโยมจะรู้ก็เลยขอลาไปเลยะขอ ขอไปดีกว่ากลับกลับเชตวันดีกว่าพอไปถึงเชตวันครูจ้าก็ถามว่าอ้าวทาไมถึงรีบกลับก็ได้คําตอบว่าเนี่ยเพราะกลัวว่านางจะยังรู้จิตใจของตัวเนี่ยก็จะทให้การปฏิบัติลําบากเพราะว่ากลัวนะเนี่ยพวกเรานี่ถ้าเกิดเรารู้ว่าครูบาอาจารย์คนไหนนี่ยังรู้ว่ารจิตได้นี่เราก็ตัวรีบเลยนะภาพรูปนี้ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาละไม่ไปดีกว่า แต่พื่อเจ้าก็ขยันขยอนนะวันนี้ก็ควรจะไปน่าจะกลับไปพระลูกนั้นก็ถามว่ากลับไปเราจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวลำบากพุทเจ้าก็บอกว่าเนี่ยก็ทาอย่างเดียวนะข้อเดียวพอทาอย่างไรพุทเจ้าก็ตอบว่ารักษาจิตให้เป็นปกติอพอได้พอไดอ้แนวทางนี้นะพระท่านก็เกิด เกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลับไปนะก็รักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ไม่หวั่นเกรงไม่วิตกว่านางมัติกมาตานี่จะรู้วาลจิตของตนหรือไม่แล้วก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมก็ตจริญก้าวหน้านะจนกระทั่งบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์นะเรื่องนี้นี่ก็ให้ง่ายคิดหลายอย่างนะอย่างที่เล่ามาเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญคือว่านะบางครั้งนี่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 แต่ว่าการปฏิบัติก็อาจจะเจริญก้าวหน้ากว่าก็ได้หรือว่าเอาแค่ศีข้อเดียวก็พอถ้าใช้สมาทานสีข้อเดียวก็อาจจะลดหน้าก็ได้อย่างที่พูะเจ้าได้แนะนําพระรูปเนี่ยนะว่าเพียงรักษาใจให้เป็นปกติก็พออันนี้ก็เหมือนกับว่ามีสีแค่ข้อเดียวนะเป็นศีน อ, อริยะเลยนะ